สวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกับรายการรู้เรื่องพระเครื่องไทยนี่ครับหนังสือ เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อหนงวัดคลองมาดันก็ ถ้าจะพูดถึงวัดน้อยนะฮะวัดน้อยในสุพรรณเนี่ยก็มีมากมีเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าพูดถึง 100 กว่าปี 30 ไร่สร้าง ท้องที่ตำบลโคครามอำเภออยู่ริมฝั่งแม่ก็เค้าจะใช้เส้นทางแม่น้ําท่าจีนเป็นทางคมนาคมนะครับเป็นสู่กรุงเทพมหานครนะครับ วัดน้อยนะฮะอยู่ระหว่างอําเภอบางประมาศกับประมาณ 7-8 กิโลเมตรนะครับครองวัดโดยพระมหาเกจิเถราจารย์ชื่อหลวงปู่เหี่ยมนะครับใน เอ่อค่อนข้างจะคาถามาด้วยพวกคนที่ศรัทธามาช่วยให้ท่านรักษาเอ้ามึง ไม่เห็นมีใครตายสักรายนะครับน้ำมนต์ของๆนะครับทางด้านถาวรวัตถุนะฮะ ฉบับเดือนพฤษภาคมและก็ปี 2531 นะครับ 2535 มีเนื้อความใกล้เคียงกัน 2372 นะ, นะ, 23 นะ 3 ท่านเอ่อ มันได้คงท่านเป็นคนบ้านป่า เมื่อครบบวชนะฮะปี พ.ศ. 2300 2392 ถึง 2393 ก็บวชตามประเพณีคาดว่าคงเป็น ปัจเจรานุเถระสำนักต่างๆซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าท่านมาพำนักอยู่ใน หลวงปู่ช่วงวัดรังสีขณะนี้รวมเป็นวัดบวรนะฮะรวมกับวัดบวรเพราะสมเด็จท่านมีพระชนชีพ 2415 สําหรับคุณ จิตตวีระอดีตสสสุพรรณบุรีเคยเล่าให้เคยเล่าให้ฟังว่าคุณบดินทร์สุขประสงค์อดีตผู้พิพากษาศาลสุพรรณบุรีฟังว่าบิดาของท่านเคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ เล่ากันว่าเมื่อหลวงปู่ทํานักศาสเรียนอยู่ที่เมืองบางกอกถึงเร 20 พรรษาเมื่อเล่าเรียนจบกระบวนการแล้วท่านก็กลับมา เมื่อท่านมาอยู่วัดน้อยนะครับศรัทธาของชาวบ้าน รูปรวมคนขวาและเขียนเรื่องราวพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องเมืองสุพรรณบุรีจนเป็นธุรจนเป็น สมณัสกล่าวว่าลูกศิษย์ของหลวงพูเนียมที่ดังๆทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศมีอยู่หลายรูปด้วยกัน และอีกรูปก็คือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอไตรภาคีตรีเพชรนะฮะ <c oughs> <c oughs> แล 6 เดือนกุมภาพันธ์ 2531 ว่า หลวงปู่เนียมเป็นพระนักปฏิบัติธรรมเชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน ขอให้ไปสอบถามกับหลวงปู่หนุ่มศิษย์ และหลวงพ่อ 13 ว่าหลวงปู่เนียมและหลวง พรหลวงพณงค์ด้วยถ้ามีเวลาวันข้างหน้าก็จะเอาเอ่อ เช่นพิมพ์พระประธานพิมพ์พระคงพิมพ์ปลูหนังพิมพ์พุทเลลีลาพิมพ์ขุนแผง <Jub ilee> กากของหลวงปู่ทุกพิมพ์นะเป็นเนื้อชิน กล้าของหลวงปู่จริง